บันี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปก่อนอืึ่งขอให้ตั้งใจให้เป็นศีลน้อมรำลึกถึงคุณของพระรัชนาจัยแล้วกำหนดเนื้อหาแห่งธรรมะซึ่งจะได้ปัญญายต่อไป ในตอนนี้จะได้พูดถึงเรื่องของนิวรคือกิเลสที่เกิดขึ้นการจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุคุณธรรมความดีที่ปรารถนาจุดประสงค์ในการบำเพ็ญกรรมฐานส่วนที่เรียกว่าสมถกรรมฐานนั้นก็คือมุ่งสงบระงับนิวรณ์ทั้งห้าประกาศนี้ซึ่งอันที่จริงก็คือกิเลส ได้เกดความโลภความโกรธความโลงในลักษณะน่งแต่เกิดขึ้นกุ้มรุมใจอยู่ภายในไม่แสดงออกมาภายนอกเท่านั้นในเรื่องของนิวรนนั้นทรงสอนให้บุคคลผู้ปฏิบัติกําหนดรู้และปฏิบัติไปตามละดับอย่างนี้ประการแรกให้รู้ว่านิวรนข้อใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้น ในจิตก็ให้รู้อย่างนั้นในวันนี้จะได้พูดถึงพยาบาทที่วอนพยาบาทนั้นคือการที่จิตไปเก็บอารมณ์ภายนอกไว้ในฐานะเป็นของไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแล้วจิตก็เป็นเหนียวนึกเอาอารมณ์เหล่านั้นมา ตึกนึกด้วยความไม่พอใจบ้างด้วยความกระทบกระทั่งบ้างด้วยความไม่ยินดีบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความอาฆาตต้องการจะโต้ตอบจองล้างจองผ่านเป็นตัวบ้างซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าในขณะที่ปฏิบัติกรรมฐานหรือทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แต่จิตเป็นเนียวนึกออกไปในลักษณะเช่นนั้นความสงบจะเกิดขึ้น ภายในจิตใจไม่ได้พระภุทธมีพระภาคเจ้าทรงอุปมาพยาบาทว่าเหมือนกับโรคซึ่งเกิดขึ้นภายในร่างกายของบุคคลจะเห็นได้ว่าโรคภยคัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของบุคคลนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําหน้าที่เสียแทงร่างกายตามกําลังแห่งโรค ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีญาติมีพี่น้องมีพิจชนคนที่รักเป็นนั้นมากคลอมล้อมอยู่ก็าตามแต่ว่าไม่อาจที่จะช่วยบรรเทาแก้ไขอะไรได้อาการโรคที่เสียดแทงนั้นจะเสียดแทงเฉพาะบุคคลนั้นเท่านั้นคนอื่นไม่อาจที่จะแบ่งเ่าไปได้จะได้พยาบาดที่วอนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นคือญาติพี่น้องเหล่าอื่น แม้แต่คนที่บุคคลพยาบาทเขาก็ไม่มีส่วนรู้เห็นไม่มีส่วนเดือดร้อนต่อความพยาบาทที่เกิดขึ้นเสียแทงเหล่านั้นบุคคลผู้นั้นเท่านั้นจะประสบผลที่เกิดขึ้นจากพยาบาทเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นลักษณะของพยาบาทว่าเป็นเหมือนโทษที่เกิดขึ้นเสียแทงร่างกาย แล้วพยาบาทเหล่านั้นจะทำหน้าที่เสียดแทงใจให้กระรุ่มให้เล่าร้อนจนถึงกระสรับกระส่ายไปตามปริมาณของความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วก็พึงกาหนดรู้ว่าขณะนี้จิตของตนได้ปรากฏพยาบา ท, ทนิวร์บังเกิดขึ้นแล้วในตอนต่อไปก็ให้มนสิการคือทำความรู้สึกภายในใจว่า พยาบาทนิวรนีที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ให้รู้ถึงแหล่งเกิดของพยาบาทเหล่านั้นจะพบว่าตัวพยาบาทนั้นเกิดจากปฏิฆาสัญญาคือการกำหนดหมายว่าไม่น่ารักใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจปฏิฆาสัญญาในเรื่องอะไร ปฏิฆาสัญญาในเรื่องของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโภธภัพเช่นเดียวกันแต่ว่ามองกันคนละมุมกับกามาฉันทนิวรนซึ่งได้กล่าวมาแล้วท่านอุปมากามฉันนิวรนที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลว่าเปรียบเหมือนกับคนที่เป็นหนี้เป็นสินข่าวถึงจะเห็นได้ว่าความอยากเกิดขึ้นในวัตถุในอารมณ์อันใด แรงปรารถนาตัณหาก็จะเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นมากและในที่สุดก็จะต้องจับจ่ายซื้อหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อสนองตอบความปรารถนาของตนเพราะฉะนั้นคนที่ถูกกรามฉันครอบงำจึงเป็นเหมือนคนที่เป็นหนี้เป็นสินเ้าแต่ส่วนคนที่ถูกพยาบาทนิวรนครอบงำนั้นก็เปรียบเหมือนคนที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เบียดแทงเบียดเบียน ด, ด, ดังที่ได้กล่าวแล้วปฏิฆานิมิตหรือปฏิฆาสัญญานั้นเป็นการมองคนและสัตว์ทั้งหลายในแง่รายอาการกิริยาต่างๆที่บุคคลเหล่านั้นแสดงออกแต่เนื่องจากใจได้ไปกำหนดหมายไว้ในฐานะไม่พึงปรารถนาเสียแล้วคือใจเอียงเสียแล้ว แม้เขาจะแสดงอาการกริยาออกมาดีอย่างไรก็ตามใจก็คงไม่ยอมรับอยุ่นั่นเองแต่ว่าการจะออกมาเป็นปฏิฆะหรือจะเป็นสุภะอย่างที่พูดในวังกอดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเชื้อที่เก็บอยู่ภายในใจที่เรียกว่าธาตุในกรณีนี้ก็เป็นพยาบาทธาตุคือหมายความว่าวัตถุและอารมณ์เหล่านั้น คนไปเก็บไว้ในฐานะไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาะไม่น่าพอใจอยู่แล้วเมื่อได้เห็นรูปหรือฟังเสียงหรือดมกลิ่นของวัตถุและอารมณ์เหล่านั้นเข้ามันก็มีสิ่งมากระตุน้นผสมกับภาต ท, ที่มีอยู่ภายในความรู้สึกพยาบาทก็เกิดฟูขึ้นแต่ในบางกรณีเช่นในกรณีที่นั่งทำความสงบปฏิบัติกรรมฐานอยู่นี้ ก็ไม่ได้เห็นรูปเหล่านั้นไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นหรือไม่ได้สูดดมกลิ่นเหล่านั้นแต่ว่าใจไปเหนี่ยวตรึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจพยาบาทวิตตคือตรึกนึกด้วยความพยาบาทประศึกนึกด้วยความพยาบาทมันก็คล้ายๆกับเอาไม้ไปกวนในตู้น้ำที่มีตะกอนตะกอนก็ขึ้นมาทาให้น้าเหล่านั้นทราบออก กลายเป็นฟ้าเป็นตะกอนที่ทำให้น้ำเสียสภาพไปจิต ใ, ใจของบุคคลก็กลายเป็นพยาบาทนิวร์ไปในลักษณะเช่นเดียวกันเชนั้นเมื่อพยาบาทนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วมันก็มีลักษณะเหมือนกับน้ำที่เดือดบุคคลไม่อาจจะมองเห็นเงาหน้าของตนในน้าน้ำที่เดือดได้เช่นใด บุคคลไม่อาจดูสภาพจิตดูความสงบของจิตในขณะที่ถูกพยาบาทในวอน์ครอกงาเช่นเดียวกันชนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีธาตุคือไม่มีเชื้อที่กำหนดว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจไว้ภายในใจถึงแม้จะเห็นรูปฟังเสียงหรือแม้จะตรึกนึกก็าตาม ความรู้สึกอาฆาตพยาบาทก็จะไม่บังเกิดขึ้นซึ่งท่านอุปมาเหมือนมแมลงวันหยอดไข่มแมลงวันหยอดไข่จะเกิดเป็นหนอนหรือไม่เป็นหนอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าวัตถุที่มแมลงวันไปหยอดนั้นเป็นอะไรเปรียบอารมณ์ภายนอกเหมือนกับมแมลงวันที่หยอดไข่อารมณ์ภายในนั้นเปรียบเหมือนเชือ้อคือาธาตุภายในนั้นเปรียบเหมือนเชือ้อ ถ้าหากว่าไม่ได้เก็บไว้คือเชื่อนั้นไม่มีแม้จะเห็นรูปฝังเสียงก็จะไม่เกิดพยาบาทขึ้นหรือตรึกนึกก็จะไม่ตึกนึกไปในทางพยาบาทแต่ถ้าหากว่เชื่อของความพยาบาทมีอยู่ภายในใจจะปเป็นเหนียวตรึกนึกหรือจะไปกระทบอารมณ์ก็ต่างพยาบาทนิวร์ก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งอุปมาเหมือนมแมลงวันยอดไข่ที่ใน สัตว์ในปลาในเนื้อซึ่งมีเชื้อหน่าวเชื้อหนอนอยู่แดวก็ออกมาเป็นหนอนกระจายออกไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีเชื้อภายในก็เหมือนกับยอดไข่บนหินหรือบนไม้ซึ่งไม่มีเชื้อหนาวอยู่ไข่เหล่านั้นก็ต้องตายไปความแตกต่างทางจิตของพระเรียเจ้ากับของปุถุชนอยู่ตรง น, รงนี้อยู่ตรงที่ว่าพระเรียเจ้านั้นท่านไม่มีธาตุเหล่านี้อยู่ภายใน อันที่จริงถ้าเห็นรูปฟังเสียงดงกลิ่นลิ่มรถเช่นเดียวกับสามัญชนแต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรถเหล่านั้นเหมือนแมลงวันหยอดไข่ในหินไม่ได้กลายเป็นหนอนขึ้นมาแต่ว่ามีแต่จะตายไปรูปที่เกิดขึ้นสำหรับท่านจึงเป็นสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงเป็นต้นแล้วให้รู้ต่อไปว่าพยาบาทนิวรณ์ที่บังเกิดขึ้น สามารถสงบระงับได้ด้วยวิธีใดก็ให้รู้วิธีสงบระงับพยาบาทนิวรณ์เหล่านั้นการสงบระงับพยาบาทนิวรณ์นั้นท่านได้แสดงไว้หกวิธีด้วยกันแต่ว่าที่จริงก็เป็นวิธีเดียวแต่ว่าสร้างปัจจัยขึ้นมาสนับสนุนเท่านั้นประการแรกก็ให้เรียน นิมิตในเมตตาภาวนาคือให้ศึกษาถึงลักษณะถึงคุณค่าถึงวิธีเจริญเมตตาเมตตานั้นเป็นกรรมฐานส่วนสมถะกรรมฐานประเภทหนึ่งอยู่ในพรหมวิหารและอัปปมัญญาคือการที่บุคคลสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผลว่าคนเรารักสุขเกลียดชังความทุกข์เช่นใด เรารักสุขเกลียดชังความทุกข์เช่นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็รักสุขและเกลียดชังความทุกข์เช่นเดียวกันเชนั้นเราไม่ปรารถนาความมีเวรความมีภัยการถูกประทุษร้ายเบียดเบียนหรือการทำลายการดำรงชีวิตตามปกติสุขของตนเช่นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็จะมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเช่นั้น ก็สร้างฐานความรู้สึกให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจเช่นนี้แล้วก็สร้างความรู้สึกเหล่านั้นให้กระจายไปที่บุคคลอื่นคือปรารถนาที่จะเห็นเขาไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันอยู่เป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนแต่การแผ่เมตตานั้นจะต้องมีอุบายวิธี การปฏิบัติธรรมทุกอย่างจะต้องมีอุบายวิธีคือเรียกว่าวิธีที่ฉลาดถ้าหากว่าปฏิบัติไม่เป็นหรือสับขั้นตอนไปแม้กรรมาฐานก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ได้การเจริญเมตตานั้นท่านบอกว่าให้เริ่มที่คนซึ่งเรานับถือปรารถนาที่จะให้พ่อแม่พี่น้องญาติสนิทพิษสหายของตน เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันมีความสุขตามสมควรแก่ฐานะเมื่อสร้างความรู้สึกต่อท่านเหล่านี้ได้แล้วในขั้นต่อไปนั้นให้กระจายออกไปในคนที่เรารู้สึกกลางๆคือไม่ถึงกับโกรธแล้วก็ไม่ถึงกับรักให้เขาไม่มีเวรมีไม่มีภัยเช่นเดียวกัน ต่อจากนั้นให้กระจายไปที่คนซึ่งตนไม่ชอบอันเป็นการทดสอบจิตใจของบุคคลบ้างมีเมตตามั่นคงมากพอไหมถ้าหากว่าเมตตาไม่แกร่งจริงๆก็จะกลายเป็นพยาบาทไปเลยแต่ถ้าเมตตานั้นมีกำลังมีพลานุภาพมากพอภายในใจแล้ว ก็จะสร้างความรู้สึกให้อภัยอดทนแล้วแผ่เมตตาแก่บุคคลเหล่านั้นได้ตามลำดับพอสร้างความรู้สึกต่อคนที่เป็นศัตรูกันได้แล้วต่อไปก็ให้สร้างแก่คนทั้งหลายซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้แล้วกระจายออกไป อย่างบทที่สวดแผ่เมตตาที่ท่านทั้งหลายสวดกันนั้นใช้คำว่าสเบสตาซึ่งแปลว่าสัตว์ทางหลายทางปุบไม่ว่าจะมีขันหนึ่งมีขันสี่มีขันห้าก็ตามปรารถนาที่จะเห็นเขาเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันดำรงชีวิตอยู่ตามปกติสุขในฐานะของตน แต่การเจริญเมตตานี้ถ้าหากว่าก้าวแรกพลาดคือหมายความว่าไปเจริญเมตตาต่อคนซึ่งเป็นศัตรูใจไม่แข็งพอแทนทีจ่จะเจริญเมตตาจะเคิ่มพยาบาทขึ้นมาหรือจเจริญในเพศตรงกันข้ามก่อนแทนที่จะกลายเป็นเมตตาจะกลายเป็นการมาราคาขึ้น เพราะอะไรเพราะว่าเหตุผลภายในใจมียังไม่มากพอจะต้องเดินไปตามขั้นตอนอย่างนี้ดังที่เคยกล่าวมาในคราวหนึ่งบ้างการฝึกจิตนั้นก็คล้ายๆกับเรานำไม้มาทำเครื่องชชยอย่างใดอย่างไนงซึ่งปัญหาว่าไม้นั้นอยู่ในสภาพอะไรจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรมาบ้างแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้เหมาะ แกฐานะของไม้ในจุดนั้นๆผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็จะกลายเป็นเครื่องใช้ที่สมเหตประโยชน์ได้แต่ถ้าหากว่าใช้ผิดขั้นตอนเช่นว่าคราวที่ซึ่งจะต้องใช้กลบแล้วแต่ไปวันด้วยวานไม้ก็เสียหรือคราวที่จะเลื่อยแต่ก็เอาไปสายกบมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา เพราะฉะนั้นเรื่องการดำเนินไปตามขั้นตอนจึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้ในที่ทุกสถานและก็ในทุกกรณีในข้อที่สามนั้นแสดงว่าให้พิจารณาถึงกรรมคือการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมของตนตามบทที่สวดกันว่ากรรมมัสกมิกรรมดายโดเป็นต้นนั้น ซึ่งแปลเป็นใจความว่าเรามีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นในแง่ของคนที่ทำให้ใจเราเปลี่ยนแปลงไปเป็นความโกรธนัน ก็แสดงว่าเขาได้ทำในทางทุจริตเป็นความผิดชอบที่เขาจะรับในตัวของเขาเองถ้าหากว่าไม่มีการโต้อตอบเรื่องทั้งหมดก็ยุติแค่นั้นแต่ถ้าหากว่านำมาตรึกนึกนำมากรัดกรุ่มนำมาแค้นเคือตนเองก็ไปสร้างอากุศุลกรรมเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งกลายเป็นคนประกอบอกุศุลกรรมขึ้นมาสองคนแทนที่จะมีคนเดียว ดังในโอกาสก่อนและผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตอนนั้นตนก็จะต้องรับเช่นเดียวกับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเขาจะต้องรับลักษณะของความพยาบาม ท, ที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นเมื่อบุคคลได้พิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเสียดแทงโดยนิยะดังที่กล่าวมาแล้วนั้นประกาศ อีกประการหนึ่งสภาพจิตของบุคคลนั้นจะมีความเร่าร้อนเพราะเรื่องของพยาบาทนั้นเป็นเรื่องของโทสั์คิไฟคือโทสักธรรมดาว่าไฟนั้นถ้าไม่ใส่เชื้อเข้าไปโอกาสที่จะดับหรือจะหยุดอยู่แค่นั้นก็มีได้แต่ถ้าหากว่าบุคคลน้อมนำมาตึกนึกนามากัดกรุ่มนำมาคิดมากมาก ความพยาบาทก็จะลุกไหม้ภายในจิตใจเหมือนไฟที่ได้เชือ้อแล้วก็ลุกไหม้ขึ้นมาชนะอีกประการหนึ่งนั้นใจที่ประกอบด้วยพยาบาทจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางสุขภาพจิตและแม้แต่สุขภาพกายคนที่ตายไปด้วยแรงอาฆาตพยาบาท หรือเป็นคนมักอากาตพยาบาทสรุปว่าอยกิเลสสายโทสะคือจะเป็นอะไรก็ตามพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าคนที่เกิดมาไม่สวยไม่งามนั้นเป็นผลของโทสะที่เก็บไว้มากภายในใจแล้วถ้าดับไปด้วยโทสะคือใจในขณะนั้นดับไปด้วยโทสะแล้วกติภพก็ยิ่งไม่พึงปรารถนามากยิ่งขึ้น ข้อนี้บุคคลสามารถที่จะพิสูจน์ได้แม้ในปัจจุบันพัจหากาจิตใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ด้วยอำนาจของความโกรธความพยาบาทความไม่ยินดีความหงุดหงิดความง่วงงัง น, งนอยู่เป็นกิจประจำวันแล้วหน้าตาของบุคคลนั้นจะหาความสุดชื่นไม่ได้จิตใ จ, จก็มีแต่ความขูดมัวเศร้าหมองร้าวรอนไปด้วยประการต่าง ซึงแน่นอนในขั้นของการศึกษาและการปฏิบัติธรรมนั้นพระบุมรีพระภาคเจ้าทรงชี้ทางไว้สองทางคือทางเสื่อมกับพางเจริญที่เรียกว่าสุคติกับทุคติบุคคลผู้ศึกษานั้นจะต้องมีความฉลาดเรียกว่าอปาญโกศลคือฉลาดในทางเสื่อมรอบรู้ในทางเสื่อมด้วยประการตาง และอายะโกสศนคือฉลาดในทางเจริญเพราะทางเสือมทางเจริญนั้นทรงชี้ทรงแยกไว้โดยชัดเจนไม่มีการสับสนผลค้ากันแต่ถ้าหากว่าจะรู้เพียงสองทางเท่านี้ก็ไม่อาจอำนวยประโยะน์ให้ได้ดีเท่าที่ควรบุคคลจำต้องมีอุปายะโกศุคือฉลาดในอุบายที่จะหลีกหนีทางเสือ่อม มาดำเนินในทางเจริอเพราะงั้นในช่วงนี้บุคคลก็จะเห็นได้ว่าความพยาบาทนั้นเป็นทางเสื่อมในขณะเดียวกันความไม่พยาบาทนั้นเป็นทางเจริญคือการประกอบโวยเมตตาจิตนั้นเป็นทางเจริญแต่ว่าทั้งทางเสื่อมและทางเจริญนั้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นลอย เกิดขึ้นก็เพราะการประกอบกระทาของบุคคลนั้นๆเพระาะฉะนั้นก็หันมาประกอบกระทาในส่วนที่เป็นเมตตาภาวนาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วและทรงแสดงว่าจะต้องกระทําบ่อยๆคือกระทําให้มากทำไมจึงต้องกระทําบ่อยๆกระทาให้มาก เพราะโดยสภาพตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลจะตกไปภายใต้อำนาจของกิเลสในแต่ละวันนั้นถ้าลองสังเกตแล้วจะพบว่าตกไปในฝ่ายกามฉันนั้นมากที่สุดรองลงมาเป็นโมหะต่อจากนั้นก็เป็นโทสะคือฝ่ายพยาบาทเมื่อกิเลสเมื่อจิตใจคุ้นเคยกับกิเลสยู่เป็นปกติเช่นนี้ มันก็ใล้ๆกับคนซึ่งเดินทางแล้วก็เลี้ยวตรงนี้ทุกทีจนเคยชินไปจะเดินเมื่อไรก็ต้องเลี้ยวตรงนี้ทุกทีจิตใจก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเมื่อแกตกไปในกาาฉันในพยาบาทอยู่เป็นปกติแล้วโอกาสที่จะตกไปจึงมีได้ง่าย การที่จะดึงจิตขึ้นมาจากพยาบาทจึงต้องประกอบกระทําเรื่องเมตตาภาวนาและใช้คำว่ากระทําให้มากเพราะปะกติจิตนั้นจะระลึกหรือรู้อะไรได้ในขณะเดียวก็เพียงอย่างเดียวเมื่อบุคคลได้เสริมสร้างเมตตาภาวนาให้บังเกิดขึ้นภายในจิตในขณะนั้นเมตตาภาวนาก็จะทําหน้าที่ค่อยๆสลาย พยาบาทตัวความไม่พอใจไม่ยินดีไม่พอใจความโกรธความเกลียดความอาฆาตเป็นต้นให้บรรเทาเบาบางลงไปและในข้อที่สี่นั้นทรงสอนว่าให้มันพิจารณาคําว่ามันพิจารณานั้นให้สังเกตว่าในการเจริญเมตตาในการประกอบเมตตานั้นเป็นเรื่องของการใช้ความคิดการศึกษา การเจริญเมตตานั้นเป็นเรื่องของกรรมฐานการพิจารณานั้นหมายถึงว่าการสร้างปัจจัยเสริมในชีวิตประจําวันในขณะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งหลับตาภาวนาอะไรแต่ในขณะเดียวกันพยายามคิดพยายามพิจารณาสร้างเมตตาให้ค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยภายในจิตใจ จะเป็นปัจจัยเข้าไปสนับสนุนเวลาเจริญเมตตาภาวนาเมื่อถึงยามที่จะต้องบาเพ็ญกรรมฐานส่วนนี้เห็นคนเห็นสัตว์เห็นอะไรก็ตามก็น้อมนำมาพินิจพิจารณาต้องการที่จะเห็นคนเหล่านั้นไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสร้ายัน ดำรงชีวิตอยู่เป็นปกติสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนแต่ว่าเมตตาภาวนาที่ใช้นั้นอย่าต้องใช้ให้อยู่ในกรอบของเมตตาภาวนาอย่าให้เลยไปในด้านใดด้านหนึ่งเพราะเมตตาภาวนาที่ยังไม่ถึงขั้นของเมตตานั้นท่านเรียกว่าเกินกาพ ร, ราคา์ถ้าเกิดผิดหวงังไม่สมหวงัง จิตจะเปลี่ยนเป็นโทสะอีกต้องลงหมุนอยู่ที่นิวรณ์ข้อนี้แต่ถ้าหากว่าเกินไปคือปรารถนาที่จะไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนการเกินไปจนแสดงออกมาบางคราวจะกลายเป็นอคติคือลำเอียงเพราะรักใครกันแต่ถ้าไม่ตาภาวนาแล้วสมมติว่าไม่เป็นไปตามที่ใจฝาก ตัวเมตตานั้นก็จะเปลี่ยนเป็นการุณาเปลี่ยนเป็นมุติตาและเปลี่ยนเป็นอุเบกขาโดยปกติแล้วจะเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเพราะอะไรเพราะพิจารณาถึงการที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนอย่างที่ได้ว่ามาแล้วแน่นอนในขั้นของการเจริญเมตตานั้นบุคคลอาจจะปรารถนาความไม่มีเวรไม่มีภัยให้เกิดขึ้นแกสัรวสัตว์ทั้งหลายดังที่กล่าวแล้ว แต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ไม่อาจที่จะเป็นเช่นนั้นได้ทุกรูปทุกนามไปเพราะแต่และชีวิตนั้นมีกรรมเป็นของของตนซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมตามเหตุตามผลแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดจิตของบุคคลที่เจริญเมตตาอยู่นันจะมีความส ง, งบเย็นจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นตน้นเป็นที่รักของ มนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รคกของอนมนุษย์ทั้งหลายเทวดาให้การคุ้มครองป้องกัน ร, รักษาแกบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นและประการต่อไปนั้นทรงสอนให้คบหาเพื่อนที่ดีเราจะเห็นว่าเชื้อของกิเลสนั้นมีลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วคือถ้าไปพบเพื่อนที่ไม่ดีแกจะนําเรื่องซึ่งเป็นการเพิ่มโทสะเหมือนกับเอาเชื้อไปใส่ในกองไฟ แม้ในการมฉันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเรื่องกัลยาณมิตรจึงถือว่าเป็นอุปการธรรมที่มีความสำคัญในการปฏิบัติธรรมอย่างมากบางทีเราต้องการหาความสงบให้แก่จิตใจแต่ถ้าเพื่อนไม่ดีแก่นำเรื่องอะไรตอมิอะไรไม่รู้มาเล่ามาบอกมาแสดงให้ฟังจนจิตใจเปลี่ยนแปลงไปตกอยู่ภายใต้อำนาจของการม า, าันบ้างพยาบาทบ้าง พระพุทธศาสนานั้นยกจ้องกัลยาณมิตรว่าเป็นตัวพรหมจรรย์คือเป็นตัวการประพฤติประเสริฐที่เดีการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเราจึงต้องอิงอาศัยกัลยาณมิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นยอดของกัลยาณมิตรที่อาจอิงอาศัยให้เกิดผลในระดับต่างๆตามสมควรเกี่กับการประพฤติปฏิบัติ และเรื่องที่นำมาพูดจาท่านเรียกว่าสปายกถาคือเรื่องซึ่งนำมาพูดจามาสนทนาปราศัยนั้นจะต้องเป็นเรื่องที่พูดและสบายใจใจไม่ตกไปในทางกาพยฉันและไม่ตกไปในทางปยาปาัแต่ให้มีลักษณะเป็นความชื่นชมยินดีในธรรมหากว่าเรื่องราวที่พูดจากันนั้นมีข่าวว่าจะต้องถกเถียงจะต้องมิวาดกัน ก็ต้องอยู่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระโมคคัลลานะว่าดูก่อนโมคคัลลานะเธอพึงศึกษาสำเนียกว่าเราจักไม่พูดถ้อยคำที่เป็นเหตุทุ่มเถียนกันเหตุถือเอาชนะกันเพราะถ้าพูดถ้อยคำเช่นนั้นแล้วอาการไม่สารวมต่างๆก็จะปังเกิดขึ้นมือเท้าก็จะแกว่งออกไปแล้วในที่สุดใจก็จะห่างจากสมาธิ คือนอกจากว่าจะเกิดผลเป็นความโกรธความประทุษร้ายในขณะนั้นแล้วยังเก็บไว้มาตรึกนึกมากลายเป็นอาฆาตพยาบาทอีกด้วยแต่ถ้าหากว่ากถาเป็นที่สบายไม่เพิ่มในส่วนที่เป็นกรรมฐานและในส่วนที่เป็นพยาบาทแต่ในขณะเดียวกันเพิ่มในส่วนที่เป็นเมตตาและในส่วนที่เป็นสุภกรรมฐานเป็นอสุภกรรมฐาน คำคำพูดเหล่านั้นเรื่องที่ได้ยินเหล่านั้นก็จะมีส่วนมีมีส่วนในการผ่อนคลายบรรเทาความรู้สึกที่เป็นกา마จาันและพยาบาทให้บรรเทาเบาบางลงไปนี้ก็เป็นวิธีที่จะป้องกันพยาบาทไม่ให้บงังเกิดขึ้นต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป